แนะนำบทอัลบุรุจบทอัลบุรุจเป็นบทมักกิยะมียี่สิบสององค์การแกนหลักของบทก็คือเรื่องของบรรดาเจ้าของหลุมพรางอัชฮะบุลอุดดูดซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสียสละด้วยชีวิตในทางของการเชื่อมั่นและการศรัทธาบทนี้ได้ร่วมโดยการสาบานด้วยท้องฟ้าและที่เต็มไปด้วย ด, ว, ยดวงดาวน้อยใหญ่ซึ่งโคจรไปตามจักรราศี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 ในการที่จะจัดการกับศัตรูของโปรงซึ่งพวกเขาได้ประหัดประหารปวงเบาที่รักใคร่ของโปรงบทนี้ได้จบลงด้วยเรื่องของฟิร์เอาและสิ่งที่ประสบแก่ตัวของเขาและหมู่ชนของเขาคือความพินาศความหายนะอันเนื่องจากการกดขี่ข่มเหงและความเกลียดกร้าดนั่นเองด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบาลด้วยชั้นฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและด้วยวันที่ถูกสัญญาไว้และด้วยผู้เป็นพยานและผู้ที่ถูกเป็นพยาน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 และพวกเขาไม่ได้แก้แค้นเขาเหล่านั้นเว้นแต่ว่าเขาเหล่านั้นศรัทธาต่ออัลลอ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงได้รับการสรรเสริมผู้ซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของพระองค์แล้วล้อนั้นทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง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 แต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธายังไม่ยอมเชื่อความจริงแล้วเราสรงห้อมล้อมพวกเขาไว้ทุกด้าน ح ح ไม่ใช่ฉันนั้นดอกที่พวกเขาไม่ยอมเชื่อถือ คือกรานอันประเสริฐอยู่ในแผ่นจารึกที่ถูกเก็บรักษาไว้